ไม่ควรเป็นคนโรคโลกพระพุทธภาษิตยีน่นางธรรมังนะเสเวะยะประมาเดนะนะสั่งวะเสมิชาดิทิ้งนะเสเวะยะนะัสยาโลกวัฒโนแปลความว่าบุคคลไม่พึงเสดทำอันเลวไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงเสดมิจชาทิฐิและไม่พึงเป็นคนโรคโลกอธิบายความ เบื้องแรกขออธิบายตามแนวของพระอัจฉริยะาจารย์ก่อนอัจฉริยแห่งพระคถานี้อธิบายว่าข้อว่าทรรอันเลวนั้นได้แก่กรรมกุลห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐพัทธ์ที่เรียกว่าเป็นทรรอันเลวเพราะเป็นที่พอใจเสพของคนเลวและเป็นที่พอใจเสพของสัตว์ทั่วไปมีอูดและโคเป็นต้นอีกประการหนึ่งกรรมกุลห้านั้นย่อมทำให้คนเสพ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 บุคคลไม่พึงเป็นผู้รกโรกเช่นนั้นฉบับภาษาอังกฤษของด an รราทักติธนันแปลนัสยาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนรกโรกว่า do not be a friend of the world แปลตรงตัวว่าไม่ควรเป็นเพื่อนของโลกและขยายความว่าไม่ควรมีใจเกี่ยวเกาะอยู่กับโลกไม่ควรอยู่ในโลกนานโดยมตินี้อธิบายว่า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 ไม่ควรเป็นคนรกโลกนั้นท่านอธิบายว่าไม่ควรเพิ่มจำนวนพารโลกคือให้ตัดความเกิดนั่นเองการมคุณห้าความประมาทความเห็นผิดและความติดโลกทั้งสี่ประการนี้เป็นกิเลสแต่ละอย่างที่ทาความยุ่งอยู่ในโลกตั้งแต่บัพการมาจนบัดนี้ความสุขความทุกข์ทั้งมวลของมนุษย์อยู่ภายใต้หัวข้อทั้งสี่นี้คือถ้าหลงไหลในกรรมคุณประมาทเห็นผิดและติดโลกก็ชื่อได้ว่า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 พิสุนุ่มรูปนั้นมองดูนางแล้วก็หัวเราะเหมือนกันนางเห็นพิกษุนุ่มนั้นหัวเราะจึงกล่าวว่าคนหัวขาดหัวเราะบาลีว่าชินดาซีโซ่เคได้ยินหญิงทางภาคใต้ของไทยด่าชายว่าไอ้ตาดหัวคงจะคำเดียวกันที่มีความหมายเหมือนกันกระมังพิกษุหนุ่มได้ยินดังนั้นด่าต่อไปว่าเธอก็หัวขาดพ่อแม่ของเธอก็หัวขาดหลานของนางวิสาขา ร้องไห้ไปหาย่าที่โรงครัวใหญ่บอกเรื่องทั้งกองให้ทราบวิสาขารียมาหาภิกษุหนุ่มนมัสการแล้วกล่าวว่าพระคุณเจ้าคํานั้นคือขัวขาดไม่หนักนักไม่ใช่หรือสําหรับพระคุณเจ้าผู้ปรงผมและหนุดแล้วผู้มีเล็บอันตัดแล้วนุ่งผมผ้าที่ตัดแล้วและถือกระเบื้องที่ตัดกลางคือบาดเที่ยวขออาหารจากเรือนของผู้อื่น ดูเหมือนวิสาขาจะด่าซ้ำเข้าไปอีกภิกษุหนุ่มตอบว่าจิงสี่อุบาสิกาท่านทราบดีทุกอย่างเรื่องที่อาตมามโกลผมโกลหนวดตัดเล็บถือบาทเที่ยวพิกษาแต่การที่หลานของท่านด่าอาตมาน่ะควรอยู่หรือวิสาขาไม่สามารถให้ทั้งสองฝ่ายประนีประนอมกันได้ก็พอดีพระเถระที่ไปเรือนลังอื่นกลับมาทราบความแล้วพูดว่าคุณเขาม่ได้ด่าคุณหรอกติกไปเถิ ทุกคนเข้าข้างหญิงสาหมดแต่พิสุนุม่มก็มายอมเถียงเอาว่าแนดซี่ยมหญิงของท่านนี่ท่านจะดุด่าว่ากล่าวเขาทำไมผมนี่สิผิดก็ข้อที่นางด่าผมว่าคนหัวขาดนะ่ะควรอยู่หรือพระาศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องจากนางวิสาขาแล้วทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลของพิสุนุมน่มท่านทรงดาริว่าเราควรคล้อยตามพิสุนุม่มจึงตรัสว่าวิสาขา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 จึงทรงโอวาทว่าการหัวเราะเพราะปลาลบกรรมคุณเป็นสิ่งเลวอันหนึ่งการเสพทำเลวและการอยู่ด้วยความประมาทเป็นสิ่งไม่ควรดังนี้แล้วตรัสว่าบุคคลไม่พึงเสพทำเลวไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงเสพความเห็นผิดไม่ควรเป็นคนโรคโลกมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นจบเทสนาที่สุหนุ่มได้บรรลุโสนาปฏิผล